แล bom, mais mais as, ้วมีเราไปถึงไหนมีแล้วที่หกโงครับหลงไปทันอาหตอนนี้ตีท่าครึ่งค่ะสวยไหมยังอะไรเนี่ย แเรา낭ภาวนเาเรา <c oughs> มาอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเรามาหาความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ่งอยู่อากเรามีความสนุกสนานเพลิดเพลิน คอยมีความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงเกี่ยวกับศีลเกี่ยวกับธรรมอย่าให้มีความสนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินเกี่ยวกับกิเลสตัณหาราคะความอยากในสิ่งนุ่นในสิ่งนี้ไม่มีประมาณถ้าเราปล่อยให้สิ่งนั้นมาครอบหัวใจของเราความอยากมันจะครอบแบบไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ เรื่องของความอยากพระพุทธเจ้าท่านทรงเปรียบเหมือนกับ <c oughs> น้ำหมักน้ำดองดองหัวใจของเราท่นนานว่าน้ำคือกามส า, าสวะภาวสวะอวิชชาสวะน้ำดองดองด้วยกา การทั้งหลายมันมามักมาดองในหัวใจของเราความอยากอยากมีอยากเป็นเพราะว่าสภาวะมันมาดองอยู่ในหนัวใจของเร า, าวิชาสวะคือสิ่งที่เป็นชากอยู่เบื้องหลังปกคลุมมืดมิดระมองไม่รู้ระมองไม่เห็นมันเป็นสิ่งที่เป็นพืชเดียวกับความลุ่มหลงในใจของเราลุ่มหลงแบบเราไม่รู้สึกตัว ถ้าหากไม่มีสติไม่มีปัญญาปลุกให้เราตื่นรู้อยู่เนี่ยไม่มีโอกาสจะรู้กโนบายมายาของมันแหละสิ่งเหล่านี้แหละมันมีฤทธิ์มีเดชมีอานาจครอบคลุมหัวใจของสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกตกเป็นทาตตกเป็นเหยือ่อดูไปแล้วครูบาอาจารย์รวมทั้งพระพุทธเจ้าท่านทรงสแสดงสแสดงธรรมะเหล่านี้ ลักษณะหนึ่งเป็นธรรมมาทิฐานลักษณะหนึ่งเป็นปุคลาทิฐานยกนั้เป็นที่ตั้งยกนี้เป็นที่ตั้งแต่ถ้าท่านพูดถึงธรรมมาธิฐานก็พูดถึงกิริยาของกิเลสในใจของเราล้วนล้วนที่เรียกว่าธรรมมาทิฐานทั้งปุคลาทิฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งทั้งธรรมมาธิฐานยกธรรมมาเป็นที่ตั้งก็คือเรื่องราว เรื่องราวของความไม่ฉลาดในหัวใจของเราทุกท่านทุกคน น, นี่แหละมีสําคัญมากชีวิตทั้งชีวิตถ้าราม่ศึกษาตรงนี้ให้มีความรู้ให้มีความเข้าใจเราก็เท่ากับมาเกิดมาเท่าเดิมถ้ายังยังรักษาพิจกรรมเท่าเดิมได้เราก็จะไปเท่าเดิมแต่ส่วนมากถ้าหาเราไม่รักษาแล้วมันจะอยู่เท่าเดิมไม่ได้เพราะทุกอย่างคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ทุกอย่างจะต้องเปลี่ยน แม้แต่ระดับคุณสมบัติของใจของเรามันจะไม่อยู่เท่าเดิมถ้ามันไม่ดีขึ้นมันก็เร็วลงถ้ามันไม่เร็วลงก็ดีขึ้นที่จะอยู่กลางๆครับกลางๆพุที่จักรเร็วลงกลางกลางพุที่จะดีขึ้นไม่อย่างนั้นแล้วมันขัดกับหลักของธรรมชาติที่จะเรียก ว, ว่านิจจังทุกขังนัตตา <c oughs> ขึ้นเชื่อว่าสิ่งพรุงสิ่ประกอบเท ว, วกอบสังขาร นับตั้งแต่สังขารกายของเราสังขารใจของเรามันเป็นสิ่งพรุงสิ่งประกอบไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวสิ่งที่เป็นสิ่งหนึ่งเดียวก็คือพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าจีตของพระพุทธเจ้าพระจิตของพระองค์เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวพระองค์ทรงตรัสว่านี่แหละประมังสุขังปรมังสุขัง มันไม่มีสิ่งใดที่จะมากลัวก่อตัวกำเริบเสบสารก่อทุกข์ก่อโทษก่อเวรกว่อภัยให้เกิดขึ้นเป็นอัญมติสิ้นสุดของภพของชาติไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะหมดภาวะความเป็นกองสังขารผู้รู้หนึ่งเดียวไม่ใช่กองสังขารสิร่งหนึ่งเดียวที่อยู่รอบข้างตัวเราแม่หนึ่งเดียวชิ้นเดียวไม่มีไม่มีสักอย่างจิตของพวกเรา เป็นกิจที่ปนเปื้อนไปด้วยกิเลสไม่ใช่สิ่งหนึ่งเดียวไม่ใช่ผู้รู้หนึ่งเดียวเป็นผู้รู้ที่ประกอบไปด้วยกองสังขารที่ถูกกิเลสตัณหาว่ามันปรุงทุกระยะทุกเวลามันไม่ใช่สิ่งสิ่งหนึ่งเดียววิธีการที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งภาคพระวิ น, นัยทั้งภาคพระธรรมรวมไปแล้วคือทั้งระเบียบทั้งข้อปฏิบัติเพื่อที่เราทั้งหลายจะมาชะมาล้าง สิ่งที่ปนเปื้อนมาในหัวใจของเราเนี่ยให้หมดไปเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวที่ยังมีอยู่ไม่ใช่สูญหายไปจากความรู้ความเห็นของเราเมืออย่างพระกิี่บริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่จะหมดไปนะเวลาพระองค์เอาพระกิี่บริสุทธิ์ของพระองค์มาเข้าฌานนี้พระอนุทัตมองเห็นเวลาออกจากฌาน รูปปะการก็ไม่อยู่อรูปปิการก็ไม่ไม่เข้าปราณรูทะมองไม่เห็นแน่แต่เวลาไปทรงอยู่ในรูปประการทําไมมองเห็นเพราะไปภาคทิงสมมุติอรูปปิการก็เป็นสมมุติเวลาไปภาคพิงสมสมุติก็เลยมองเห็นยิ่งจิต ด, ดิบจิตของปุถุชนเหมือนอย่างพวกเราด้วยแล้วเนี่ยไม่ใช่ที่ไปจักสูบเหมือนอย่างพระอนุรุท ธ, ธาแต่ยิ่งแล้วใหญ่เลย ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นแต่พระองค์ก็ทรงสอนเป็นปริศนาธรรมไม่ใช่ปริศนาธรรมหรอกเป็นอัฏฐะเป็นสาระแทๆ้ๆผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานั่นเราฟังดูพระดํารับของพระองค์เลยผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเพะว่าเรามาถึงพระองค์ใครเห็นธรรมหมายว่าคนนั้นเห็นพระองค์องค์พุทธะแท้ๆคือผู้นั้นแหละ ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้บ่อยสุดหนึ่งเดียวนั่นแหละใครเข้าถึงใครรู้ใครเห็นไม่ต้องสงสัยไม่มีความสงสัยไม่ต้องถามใครเพราะเข้าถึงเองพระอารามทุกๆจมพวกที่ท่านเข้าถึงเองแล้วท่านไม่ต้องถามใครไม่จาเป็นจะต้องมีพระพุทธเจ้ามาพยากรณ์ว่าเธอถึงแล้วนะเธอถึงแล้วนะเธอพ้นทุกข์พ้นโทษแล้วนะไม่ต้องมีใครบอกพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงบอกบุคคลที่สามเท่านั้น เป็นอย่างพระจกักรุบาลเนี่ยท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วอวันนั้นท่านเดินทางไปถึงสาวัตถีใหม่ๆฝนตกแมงเมาออกด้วยนิสัยของผู้ปฏิบัติเนยท่านก็ออกไปเดินดุกรมฝนตกใหม่ๆแมงเม่าออกมาเต็มไปหมดท่านก็ไปเดินจุกรมในทางจงกรมที่หลานที่น้องชายเขา ไปทำทาทางจนกลมให้แล้วก็ทำราวไม่จับเพราะท่านตาบอดเองเพราะว่าตลอดทั้งภาษาท่านทำความเพียรไม่นอนจนตาบอดพร้อมทั้งาตาภายัยตารูปรูกระตายแตกแต่แตาในกิเลสัแตกกิเลสแตกอยากใจของท่านท่านเข้าถึงธรรมท่านเป็นพระธรรม ในระ่างที่ท่านเดินไปเดินมาแมงเม่ามันกบินต่าก็มีสูงก็มีท่านเลยเดินเหยียบแมงเมาตายเป็นกองท่านไม่รู้ไม่เห็นความดับท่านท า, นาบอดพระภูติชนเรเดินไปเราไปเห็นท่านเฮ้ยแก จ, จะตายแล้วตะคนหูดีตาดีไม่ไรีบพิ่มทําความเพียนมาเอาตอนแกเนี่ยเห็นไ เ, เดินเหยียบย่ำแ ม, มงเมาตายเป็นกองประโยคโทษประโยกก่อน ได้ยินถึงพระพุทธเจ้าพราะองค์ทรงตรัส ว, ว่าลูกของเราไม่มีเจตนาเพื่อผลทุกข์คนโทษไปแล้วพระจักุบาลเธอเป็นพระอรหันต์แล้วนี่พระพุทธเจ้าท่านจะทรงบอกบุคคลที่สามไม่ใช่บอกบองค์ที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นคนไทยเราแม้แต่หมู่ในกลุ่มหมู่คนไทยเราเอ้ยไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระอ ร, ระหันต์เพราะไม่มีพระพุทธเจ้าพยากรณ์ พูดตามความรู้ตามความเข้าใจของตัวเองพูดโดยอัตโนมัติที่ประสิทธิ์จากอัตตสาระเหตุผลแล้วก็ไม่เข้าถึงห ล, หลักของเหตุของผลทำให้ผู้ที่ตะบกตั้งใจละห่อนยุ่ไปด้วยเพราะอะไรเฮ้ยมันหมดจุกหมดสมัยไม่มีมรรคผลนิพานนี่มันก็ขัดแย้งกับคำสอนของพระองค์ีองหลวงทรงสอนว่าอริยมรรคมีองค์แปดรับใดมีคน ถือตามพระพุทธตามปฏิบัติตามอยู่พระอรหันต์จะไม่สูญไปจากโลกอรหันต์จะต้องมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยตราบเทที่ยังมีคนตั้งใจถือตามพระพฤติตามปฏิบัติตามแม้แต่หลักสัจธรรมที่พระองค์เอามาสอนนั่นเป็นของที่มีประจํามาอยู่ในโลกพระพุทธเจ้าอุบัติก็ตามไม่มาอุบัติก็ตามสัจธรรมที่พระองค์เอามาสอนนี่ก็คือหลักธรรมชาติ แต่ที่จริงสอนให้พวกเราเข้ารู worry, ้ถึงหลักของธรรมชาติธรรมชาติสิ Morris, likewise, un ่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ตั้งอยู่อย่างนี้ดับไปอย่างนี้รู้จักจริตนิสัยคือภาวะของธรรมชาติเหล่านั้นเหล่านั้นแต่ด้วยเหตุที่พวกเรามีจิตคือมีผู้รู้มีธาตุรู้รู้อะไรในความรู้นั้นมไม่ใช่รู้เฉยมันรู้วดีแล้วรู้ว่าไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่สักๆแต่ว่ารู้เฉยนะ รู้ว่าดีแล้วก็ยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามานีดั้งเดิมจิตทิสัยจิตใจของพวกเราทุกท่านทุกท่านทุกคนของคนของสัตว์รู้เข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ดีมันก็ผลักออกไปผลักออกไปรู้แล้วสัมผัสแล้วเกิดความสุขใจเกิดความอ่อนนิ่งในหัวใจแท้ที่จริงมนุษย์มันติดความสุขสัมผัสสิ่งได้แล้วประสบความสุขมีความสุขมีความเช่มชื่นเบิกบานในหัวใจยึดเข้ามายึดเข้ามายึดเข้ามา ต้องการสิ่งนี้แหละต้องการสิ่งนี้แหละยืดเข้ามายึดเข้ามาไม่ได้เข้าถึงธรรมชาติที่แท้จริงเพราะไปตัดกะเกณฑ์ไอค้คำว่ากะเกณฑ์ในชนี้ก็คือความมีตัวมีตนความเป็นตัวเป็นตนมันเห็นว่าดีสิรร่ีดีเราไปยืดเข้ามายึดเข้ามายืดขมากลายเป็นความโลภ ก, กองใหญ่ทําให้เราต้องตามแก่ไม่จบไมสิ้นแต่ถ้าไปสัมผัสแล้วมันไม่ได้ความสุขเช่นอย่างไปสัมผัสร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไป นะเผ็ดเข็มแสปวดรอ้อนเนี่ยปสัมผันธ์สล่านีปฏิสัมพันธ์แ ล, นนแล้วเกิดความทุกข์ไม่ชอบใจไม่พอใจผลักออกไปผลักออกไปรวมไปถึงสัญญารมในหัวใจของเราอีกด้วยเยวลาไปประสบแล้วทําให้กความทุกข์ใจไอ้ความสุขกับความทุกข์มันปรากฏในหัวใจหากมนุษย์ศาตว์ทั้งหลายนะรู้จักเองโอ้สิ่งนี้เป็นสุขอีกแลมายิกมมาอีกขึ้นมาโอ้สิ่งนี้เป็นทุกข์ไม่ชอบใจปลักออกไปผลักออกไปนี่ต้นตอที่มาของความโลภของความโกรธ ดยเหตุที่เราจีบกันด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงยึดเข้ามาเราไม่รู้รู้แต่ว่ามันชอบใจแล้วก็ยึดเข้ามารู้แต่ว่ามันชอบใจแล้วก็ยึดเข้ามาวิธีวิธีการที่พระพาทธ้ท่านสอนให้เราเข้าถึงนั้นถ้าให้เรารู้ภาวะที่ใช้จริงของมันคืออะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสอนปัญญาให้พวกเราใช้ปัญญ า, าศาสนาธรรมของพระองค์เป็นาศาสนาแห่งปัญญาเป็นาศาสนธรรมแห่งปัญญาสามารถพิสูจนทดสอบ วินิจใจค่ายครวนยิ่งวินิจใจค่ายครวรมากเท่าไรวิจารวิจัยมากเท่าไรยิ่งจะเกิดมีความยินดีมีความยอมรับเพราะทุกอย่างที่โปรเอามาบอกมาสอนนมีเหตุมีผลท้งนั้นยังยิ่งวินิจใจคร้ครวรมากเท่าไรยิ่งเห็นเหตุของผลยิ่งเห็นผลของเหตุยิ่งเห็นเหตุของผลยิ่งเห็นผลของเหตุทุกอย่างบนโลกใบนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ เหตกับผลเท่านั้นเองแต่เหตุ ก, กัผลโดยสุดที่อันนี้ไม่มีใครเคยบอกเคยสอนกันโดยชัดเจนไม่ทางพุทธิย้าท่านมาสรงค้นคว้าพบโดยพระองค์เองพระองค์ที่ไม่เชืาาอ่อว่าสมมาสัมพุทธ h a เพราะพระองค์ทรงพิจารณาตามละแต่ก็ไม่ใช่ว่าพระองค์ทําบาลงล่องแล้วก็ปล่อยได้ไม่ใช่ตั้งความปราราตั้งความอธิษฐานตั้งเท่าไหร่หลังจากได้รับทพยากร หลังจากได้พยากรจากพระพุทธเจ้าต่อจากนั้นมาสามร้างบารมีสี่อสงไขยแสมหา ก, กับมีประเภศปัญญาที่กะพระพุทธเจ้าของเราเสียสละหมดทุกสิทุกอย่างบา ร, รมีทั้งสิบมีทั้งพื้นๆธรรมดามีทั้งกลางกลางกลางมีทั้งยิ่งที่เรียกว่าบา ร, รมีอุปบา ร, รมีปรัมัติบา ร, รมีเพร ะ, ะบา ร, รมีทั้งสิ ทานศีลเ น, นคคมะคือการออกบวชปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีทั้งหมดอันนี้เป็นพื้นเป็นฐานเป็นที่ตั้งอยู่ของพุทธพุทธะอาศัยพื้นฐานเหล่านี้แหละตั้งอยู่ทําให้พระองค์เจริญสิ่งเหล่า น, นี้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์บริบูรณ์หมดจึงเป็นเหตุให้พระองค์ทรงค้นสิ่งที่เป็นเหตุที่เป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นจึงมาเปิดเผยในวันที่พระองค์เข้าถึงธรรม แจ่มแจ้งชัดเจนในวันเปลี่ยนเดือนหกนั่นแหละปฏิมยาเข้าถึงอาสวัตรยญ า, ยาจากนั้นเหตุผลทั้งหลายก็ปรากฏขึ้นมาชาัดเจนแจ่มเจ้งในพระไตรปรฎกย้อนไปตรงไหนมีแตเหตุกับผลย้อนตรงไหนมีเหตุปัจจัยย้อนตรงไหนมีจะเหตุกับผลมีแตเหตุกับผลมีแตเหตุกับผลโอ้ร่างกายก็มีจะเหตุกับผลเหตุใดบ้างผลใะบ้างมาจะเหตุอะไรบ้างมาจะผลอะไรบ้างพอ๋อจิตใจที่วนเวียนเวียนว่ายไปเกิดพบน้อยพบใหญ่ไม่จบไม่มีที่จบไม่มีที่สุด ด้วยเหตุอะไรบ้างด้วยปัจจัยและบ้างด้วยเหตุปัจจัยบ้างด้วยด้วยเหตุอะไรบ้างด้วย ป, ปัจจัยอะไรบ้างมองเห็นเป็นเรื่องของเหตุของผลเท่านั้นนี่วิถีธรรมพิถีปัญญาที่พุทธเจ้าทั้นทรงตรัสรู้แล้วมาบอกอามาสอนพวกเราแต่พวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจตีบดันเห็นว่าดีชอบอย่างยึดเข้ามายึดเข้ามาไม่รู้ที่ไปที่มาของมันเอาตามใจ ที่เข้ามาคิดเข้ามาคือเอาตามใจบางครั้งยิดเข้ามาแล้วมันไม่ได้อยากใจมันไม่ได้สมใจเราก็มาเรียกว่าผิดหวังทุกข์อีกแล้วผิดหวังทุกข์อีกแล้วอ่ปเพราความหวังเนี้คือสิ่งที่เราคาดเราหวังหวังทั้งสิ่งที่ยังไม่มาถึงส่วนมากความหวังเนี่ยมันหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงทั้งนั้นแหละหวังอยู่เย็นเป็นสุขหวังร่ำหวังรวยหวังได้งานได้การ หวังมีสติหวังมีปัญญาแม้ถ้าพวกเราต้องโอกตั้งใจปฏิบัติทำหวังได้อัดหวังได้ทำแต่หวังได้อัดได้ทำเนี่ยหวังที่จะตั้งใจปฏิบัติดำรงมั่งให้มั่นคงเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของมั่งมันเป็นข้อปฏิบัติแต่มันก็ต้องอยู่ด้ความหวังอยู่ด้วยความหวังแต่ต้องหวังให้ถูกหวังจะเจริญมั่งให้เต็มที่ครบเขี้ยว ตอนชัยหาช่องหาทางหาอุบายหาวิธีการทําไงเราจะรู้เหตุรู้ปัจจัยว่ากองทุกทลายทั้งพวกที่มาทับถมหัวใจเราเกิดขึ้นจากอะไรเป็นมาจากอะไรเรารู้แต่ว่าเราเห็นสิ่งที่ดีที่มาเราก็ชอบแย่งดึงเข้ามาดึงเข้ามายากได้มากมากเรื่องนักของความโลภสิ่งที่ไม่ดีไปสัมผัสแล้วได้รับความทุกข์ใจไม่ชอบอยพยายามปัดเป่าไปคนทั้งพยายามดึงเข้ามาทั้งพยายามปัดออกไป บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ไปเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อคนละเหตุคนละปัจจัยเหมือนอย่างร่างกายของเราต้องแก่มันก็เป็นมีเหตุ ม, หตมีปัจจัยของมันต้องเจ็บมันมีเหตุมีปัจจัยของมันต้องตายมันมีเหตุมีปัจจัยของมันแต่ไใจในเอาใจใจของตัวเองไม่อยากแก่เนะี่ยแสดงว่าจีบตามอันถูกไม่รู้เหตุไม่รู้ปัจจัยของมันอไม่อยากเจ็บ ไม่อยากตายทั้งๆ ท, ที่สิ่งเหล่านั้นจะแก่จะเก็บจะตายนี่คือตีบตันด้วเหตุด้วยปัจจัยของมันเสร็จแล้วเราก็ทุกขเพราะอะไรเพราะยึดสําคัญมั่นหมายว่าไอ้สิ่งที่เป็นดินเป็นน้านเป็นลมเป็นไฟที่พุทธเจ้าท่านให้พวกเราแยกนี่แหละสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตนเป็นตนแล้วก็ยึดขมายึดขมาแล้วก็มากรอดเอาไว้พยายามถึงหวงตนุธนอมเวลาสิ่เหลานี้ไม่เป็นไปตามความอยากทุกข์สิ่งนี้ไม่เป็นไปตามความอยากทุกข์ ความทุกข์ทับถมนนหัวใจของเราในอัตรภาพร่างกายของเราในจิตใจของเราแต่ละอย่างแต่ละเรื่องนั้นะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการผิดหวังทั้งนั้นเราไปสืกไปวินิจฉัยดูจริงหรือไม่จริงทีทง่พระเจ้าทั้งทรงตรัสเอาไว้ความหวังก็คือความอยากได้ด้วยเหตุที่อยากได้นี่แหละจึงหวังด้วยเหตุที่หวังก็เพราะว่าอยากได้ด้วยเหตุที่อยากได้จึงหวัง แต่ถ้าหวังในสิ่งที่เป็นเรื่องของสมุทยัยกอทุกข์กโทษอันนี้เป็นเหตุเพิ่มพูนความมืดบอดกับหัวใจของเราแต่ถ้าเราหวังในสิ่งที่ดีที่งามเป็นเหตุมาประเทิงสติปัญญาหูตาของเราให้สว่างสวยัยด้วยปัจด้วยธรรมอันนี้เป็นเรื่องของมรรคแต่มันก็ยังต้องอาศัยความอยากในหัใจของเราเพื่อที่จะทําถ้าหากเราไม่เจริญมรรคให้มากโอกาสที่จะไปลบล้างสมุทยัยไม่มี เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เราอยู่เราอยู่กับศีลเรอยู่กับธรรมเราท่านจึงให้เราอยู่กับธรรมในระหว่างที่เราอยู่กับธรรมเป็นอาคินกรรมของเราผลรายได้มันมีมันเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่มาอยู่กับธรรมคาว่าอยู่กับธรรมในที่นี้หมายความว่าเราต้องอดเราต้องทนเราต้องฝา่าเราต้องฝืนมันไม่เหมือนกิเลสกิเลสมันเหมือนกับกระแสน้ํามันไหลลงที่ต่ำ การที่กระแสน้ํามันไหลลงที่ต่ําเราไม่ต้องผลักเราไม่ต้องดันมันไปตามภาวะธรรมชาติของมันของเหลวมันไหลลงที่ต่าแต่ถ้าหากเราต้องการผลักน้ําให้ขึ้นที่สูงเราต้องมีที่เราต้องมีสิ่งผลักต้องมีสิ่งดูดต้องมีสิ่งดันไม่งั้นน้ํามันไม่ขึ้นใจของเรามันคอยที่จะไหลไปตามดามาของกระแสของกิเลสทัณหาเราต้องการยกใจของเราขึ้นมาเราจะต้องอดทนจะต้องฝ่าฟืน จะต้องฝึกจะต้องหักจะต้องบังคับถ้าไม่ฝึกไม่หัดไม่บังคับไม่แสวงหัวไม่ระวังใจเ ร, เราจะลอยไปตามหน้าของกิเลสถ้าเราปล่อยเนื้อปล่อยตัวทั้งหมดไม่อยู่ในท่าทีที่เราตัออ้กตั้งใจปฏิบัติด้วยแล้ววันคืนล่องไปผลรล้ายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเราไม่ต้องพูดถึงที่จบของวัฏสงสารไม่มีที่จบดอกเราอยู่ในวัฏสงสารเราแบกกองทุกไปตลอดทุกพอใจ ทุกไม่พอใจพอใจก็ทุกหนาเะแล้วอะไรพอใจเดี๋ยวก็ยึดเข้ามาหาแสวงหาเข้ามาเลยสเสวหาได้ก็ยินดีพอใจประเดี๋ยวประดาอยู่มาใช้สอยประเดี๋ยวประดาเบื่อหน่ายคลายจาังทิงแสวงหาใหม่มันไม่เหมือนธรรมะที่พระเจ้าท่านให้เราสอบแสวงหาหาได้มาแล้วอ่าเป็นของถาวรมั่นคงอยู่ในหัวใจอยู่อย่างนั้นเพราะเป็นของแท้เป็นของจริง แต่สิ่งที่เรายึดโดยพระสัญญาเหตุผลข้อเ ท, ท็จจริงยึดตามหน้าของความอย่างนั่นนหะมันไม่มีสิ่งใดมาเป็นแก่นสารสาระให้กับเรายึดลอยๆตามความสัมพันธ์มันหมายเพราะฉะนั้นความทุกข์ตั้งหลายจึงผ่านหัวใจของเราอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองเนืง่งเมื่อไรจะสุขมื่อไรจะสุขเมื่อไรจะพ้นทุกข์มื่อไรจะพ้นทุกข์หากเขามีปัญหาถามจิตใจของเราอยู่อย่างนี้บ่างมันก็พ่อจะเป็นเค ร, ระตือรือร้นทำให้เราต้องได้ศก ทำให้เราต้องไปเสาะหาเมื่อเราได้สอดสายสายตาดูใกล้ดูไกลกว้างยาวไกลออกไปบนเส้นทางไหนช่องทางไหนวิธีการไหนแนวปฏิบัติอย่างไรที่จะทําให้เราเข้าถึงความสุขความเจริงอ น, น, นั้นได้วิธีการใดที่ทําให้เราประสบพบเห็นสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วไม่มีโอกาสนั่งหลับหูหลับตายืนหลับหูหลับตาเดินหลับหูหลับตา ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดแบบไม่ได้าศาสตรสองมองหาที่ออกเพื่อความหลุดเพื่อความพ้น พ, นพ้นทุกข์พ้นโทษพ้นเวรพ้นภยัยเราก็เลยอยู่ไปวันวันอยู่ไปแบบหมดอยู่ในโลกผู้ธเจ้าท่านทงใช้คําว่าพวกเราทั้งหลายเป็นคนข่าวหมกอยู่ในโลกโอ้ยเราฟังแล้วเหมือนกับเทียยเ่ยงเดินเปเรยวที่เร็วๆเจ็บๆจ็บแซ่บแต่พวกเราไม่รู้สึก สูตทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการตาบลุดรากชะรดที่พวกคนเขาหมดอยู่ เ, เหมือนเรยวเร็วเรวแสบแสบฟักฟักมาพเรามึนตึ๊บไม่รู้สึกนะผู้ที่มีความรู้สึกนัว่ามีสติมีบัญญาเบาบางพอสมควรเห็นทุกเห็นทุเห็นภันพยพอที่จะสอบพอที่จะแวงหาก็ตื อ, อนรืร้น ไม่สนุกไม่เพลิดเพลินไปกับวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายทั้งปวงบนโลกเดี๋ยวนี้เราหมกอยู่ในโลกเราหมกอยู่กับอะไรเราก็ม่งอยู่กับวัตถุ ก, กรรมทั้งหลายที่งปวงอะไรที่เป็นวัตถุกรารมทั้งหลายที่งปวงสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสสิ่งที่มาสะเวทอารมณ์ของใจที่ใจจะออกไปสัมผัส ท, ทางตาทางหูทางจ ม, มูกทางลิ้นทางกายแม้แต่นั่งนึกนอนนึกถึงอารมณ์ที่ล่องไปแล้วอยู่ภายในใจของเราคือทางใจ เลื่อไปเล็่มาก็ดีใจเพลื่อพลินใจกระตุ้นกระเติ้งขึ้นมาในตัวคนเดียวนั่นแหละบางทีถึงกับยิ้มถึงกับหัวค่าออกมาเนี่ยบางทีก็เศร้าหมองสลดหมดหูอยู่ในหัวใจหลุดจริงนั่นไปพลาบจินนั่นไปผิดหวังจากสิ่งนั้นผิดหวังจากสิ่งนี้ก็เลยถูกหมองเมาอยู่อย่างนั้นแหนไม่จบไม่สิ้นไม่มีโอกาสไม่มีช่องทางที่จะออก ก็เลยโลกนี้โลกไหม่ๆก็ตามรวมทั้งหมดที่เรียกว่าวัตถะสงสารก็ตถะสงสารบรรลุโลกทั้งหลายทั้งปวงการมโลกรูปโลกอรูปโลกมันอยู่ในขอบเขตของวัตถะสงสารผู้ที่ท่านพ้นวัตถะสงสารคือพ้นจากขอบเขตของของโลกของกรองขังรูปโลกอรูปโลกการมโลกรูปโลกอรูปโลกนี่คือโคจรของผู้รู้ของเราที่มันจะพึ่งโคจรไป โคจรไปก็รูปรูปโลกขอมันยาโลกโลกที่เราอยู่นี้แหละรูปโลกโลกมนุษย์โลกเทวดานี่เรียกว่ารูปโลกอรมูปโลกก็คือโลกของอารูปพรหมปรกามโลกก็คือพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นเทวดาอารมูปโลกก็คือนุ่นรูปพรหมอรูปโลกก็คืออรูปพรหมมันเป็นที่อุบาครูบาอาจารย์เวลาท่านพูธมาสสจบ พูดถึงาการมรรครูปประลกอารโณกเป็นกรงขังเป็นตาข่ายเป็นขอบข่ายขังจิตขังผ้ารู้ขังผู้รูของเราอยู่ในกรอบนี้เลยหาจงการออกไม่ได้ยิ่งเราไม่รู้จักบนออกโดดมาเดินบนเส้นทางเส้นนี้ด้วยแล้วและเมื่อติดตามท่านตูยน้ยงเพลินไปวนๆท่านั้นสูงชัยจงมาดูโลกนี้ตรการตาดุ ด, าด่าฉรส ดูอะไรมันสวยงามหรูหราเพลินตาเพลินใจไปหมดอืที่พวกคนขลังหมกอยู่พวกทรงธรรมกับพวกเราคนขลังขลังหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไหมอยู่เฉยรู้ไม่ได้เห็นไหมประวัติการสืบสวนอบรมนั้นรู้ไม่ได้ไาานนไไดเข้าใจไม่ได้เพราะเพราะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องอยู่ด้วยธรรมเขาไม่อยู่ด้วยธรรมมันว่าต้องอยู่ด้วยระเบียบอยู่ด้วยข้อปฏิบัติอยู่ด้วยธรรม กิจกรรมที่เราทําพฤติกรรมที่เราทํามันก็เป็นเรื่องของธรรมผลรายได้นั้นเป็นเรื่องของธรรมทำกรรมวิบากทำกรรมวิบากผลรายได้คือวิบากวิบากกรรมเป็นเรื่องของธรรมตรงการข้ามแล้วถ้าเราไม่พยายามปลักดันฉุดลากเดิงจิตของเราเองยิ่งเราลอยตุ๊บปองตุ๊บปองตุ๊บปองมือนปลาลอยตามกระแสน้ำลอยตุบปองตุบปองตุ๊บปองตุปองลอยไปก็ปฏิกองสวสนะเพราะมันปลาตาย หลังตายในกองสวะนั้นมันจะของเน่าเพราะฉะนั้นการโลกรูปโรกอารูปรโรกเหมือนก็กองสวะที่เน่าเน่าหมูความทุกข์ให้กับหัวใจเราไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันตั้งใจปฏิบัติเราแล้วมันก็ปลาเป็นปี่ปลาเป็นมันจะเอาหัวมันทวนกระแสน้ําน้ําที่มันไหลมันเอาหัวมันทวนกระแสน้ําอยู่เสมอถึงแม้ว่ามันจะ ลอยไปตามกระแสน้ํามันก็ไปได้อย่างธรรมชาติแบบมันเอาหงส์มันลงไปก็ได้เอาหางมันลงไปก่อนก็ได้มันจะทวนกระแสน้ําอยู่เสมอไม่เหมือนปลาตายปลาตายแล้วจะแล้วจะกระแสน้ําจะพัดไปทุกปองทุกปองทุกปองทุกปองตรงไหนเป็นน้ำปองเป็นน้ําวนมีที่เกาะก็จะเกาะตรงนั้นจะเรียกว่าสวะกัดเกาะสะพในกอกสวะนั้นนั้นของเน่าทั้งนั้นเราดูประมาอย่างนี้แล้ว มาลำพึงถึงภพชาติของเราเองให้เกิดความสุขเกิดความสังศจะได้ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจต้องใจทั้งความสงบไป